รู้สึกหนึ่งที่เก็บไว้เป็นความลับที่ไม่กล้าบอกใครคือความรู้สึกที่ดีที่ฉันมีให้เธอคณนี้จะมีดอกไม้ เธอไม่รู้หมดเธอไม่ต้องถามจะีพูจะ ม, มีความอบอุ่นเมื่อเธอหนาวจะเป็นที่พักพิงสุดใจ ร, รักไม่มีค้อแมเติมเต็มชีวิตแค่ไหนถึงแม้สุดท้ายเราจะไม่ได้รักกันแตอฉันคอได้ไหมให้เธอรับความรักโดยไม่สงสัยอะไรคิดเสียว่าเป็นพรจากสวรรค์ที่ และจะมอบให้เธอคนนี้ตลอดไป